ขั้นสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานการแพร่หลายทั่วไปการปฏิบัติตามหลักที่ทรงแสดงไว้ในมหาสติปทานานสูตรนี้ถ้าหากว่ามีการกระทธรรมที่สืบต่อกันไปไม่หยุดเสียในระหว่างทรงยืนยันผลไว้ในตอนสุดท้ายของพระสูตรว่า จะทำให้ผู้ปฏิบัติบรรลุมรรคผลภายในเจวันเจเดือนหรือ7ปีแต่ไม่เกิน7ชาติแต่ทั้งนี้หมายความว่าจะต้องมีการปฏิบัติที่สืบต่อกันจริงๆไม่ใช่เป็นการปฏิบัติเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นวัตถุประสงค์ที่ทรงแสดงไว้ในมหาสติปัฏฐานในสูตรนั้น ทรงวางไว้4ประการด้วยกันประการแรกท่านใช้คําบาลีว่าสตานังวิสุทธิยาเพื่อความวิสุทธ์หมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายความวิสุทธ์หรือความบริสุทธิ์สะอาดนั้นได้แก่การที่บุคคลสามารถประพฤติปฏิบัติจนส ง, งบระงับดับเพลิงกิเลสลงไปได้ ใจิตใจของบุคคลนั้นจ่มเต็มไปด้วยธรรมะที่มีความบริสุทธิ์โดยส่วนเดียวแต่เนื่องจากการปฏิบัติปว่าจะบรรลุผลอันเป็นจุดหมายปลายทางได้นั้นจะต้องผ่านอุปสรรคความยุ่งยากลำบากนานาประการเรื่องของความวิสุทธิ์หรือความบริสุทธิ์จึงได้แสดงไว้เป็นชั้นชั้น เมื่อกล่าวโดยสรุปก็มีเพียงสามชั้นใหญ่ใหญ่แต่เมื่อกล่าวโดยพิสดารก็มีถึงเจดชั้นด้วยกันชั้นแรกท่านใช้คำว่าศีลบริสุทธิ์คือความบริสุทธิ์หมดจดแห่งศีลศีลถึงแม้ว่าจะไม่ทรงแสดงไว้ในตอนที่เป็นกรรมฐานก็ตามแต่ในชั้นของการปฏิบัติแล้วจะต้องเริ่มต้นด้วยศีล เป็นหลักก่อนศีลวิสุทธ์นั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วยการปฏิบัติเช่นใดบุคคลใดก็ตามที่สมาทานศีลไปแล้วในฐานะนั้นๆคือในฐานะเป็นอุบาสกอุบาสิกาภิกษุสามนเณรเป็นต้นจะต้องรักษาศีลในขอบข่ายที่ตนจะรกต้องรักษานั้นให้อยู่ในลักษณะที่ทรงแสดงไว้ว่า เป็นอริยะกันแต่ศีลคือเป็นศีลที่พระอริยเจ้าท่านชอบใจเป็นศีลที่พระอริยเจ้าท่านยกย่องเป็นศีลที่พระอริยเจ้าท่านประพฤติปฏิบัติการปฏิบัติศีลในชั้นนี้ท่านบอกว่าศีล น, นั้นจะต้องไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยคําว่าศีลขาดนั้นก็หมายถึงการละเมิดศีลที่เต็มองค์เช่น สมาทานศีลข้อที่หนึ่งไปแล้วก็ไปฆ่าสัตว์เข้าด้วยเจตนาถือว่าศีลนั้นขาดไปประการที่สองศีลที่ด่างนั้นหมายถึงว่าบุคคลไม่ได้เจตนาที่จะละเมิดศีลเต็มองค์แต่ว่าไปทาสัตว์เป็นต้นให้ได้รับความลำบากไม่ถึงกับตายศีลไม่ขาดแต่ว่าศีลด่างไปในข้อต่อไปที่เรียกว่า ศีลพ้อยนั้นคือหมายความว่าเป็นความจงใจที่จะกระทำแต่ว่าเกิดสำนึกขึ้นมาได้เช่นเงื้อมือขึ้นจะตบยุงแล้วนึกขึ้นมาได้ไม่ตบก็ถือว่าทำให้ศีลพร้อยไปคือบกพร่องไปบ้างเพราะว่าเจตนาที่จะฆ่าบังเกิดขึ้นทำจิตใจให้ขูดมัวลงไปในขณะนั้ น, น, นและศีลนั้นจะต้องเป็นไทยแก่ตัว คือหมายความว่าในขั้นการปฏิบัติธรรมทางศาสนาไม่ว่าจะชั้นใดก็ตามเมื่อมาถึงจุดที่ถือว่าเป็นไทยนั้นได้แก่การที่บุคคลสำนึกถึงความดีของการปฏิบัติเช่นนั้นแล้วกระทำไม่ไปใส่ใจถึงปัญหาเรื่องอื่นไม่ใส่ใจถึงคำรรสั่งของบุคคลอื่นหรือคํายกย่องสรรเสริญของบุคคลอื่นแต่ว่าเห็นว่า สิ่งนั้นดีแล้วก็กระทาหลักการปฏิบัติเช่นนี้โบราณบัณดิตท่านถือเป็นแนวในการประพฤติปฏิบัติเช่นในสมัยพระพุทธเจ้าพวกนักปราชญ์ทั้งหลายเมื่อได้ยินเกียรติคุณของพระพุทธเจ้าก็ชวนกันไปเฝ้าพระพุทธองค์ทั้งทางที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนโดยมีเหตุผลว่าการพบเห็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ศัสรูดีศั ส, สรูชอบเช่นนี้เป็นการดีแล้วก็ไปฟ้าพิจารณาเห็นผลของทานที่บุคคลได้ให้ได้บริจาคไปแล้วก็สํานึกว่าการให้ทานนี้เป็นการดีแล้วให้เห็นโทษของการละเมิดศีลเห็นผลอานิสงค์ของการรักษาศีลให้บริสุทธิ์หมดจดว่าเป็นความดีแล้วก็รักษา แม้แต่การประพฤติปฏิบัติธรรมะในขั้นสูงสูงขึ้นไปก็อาศัยความสำนึกเช่นนั้นความสำนึกเช่นนี้แล้วรักษาสีนั้นจะเห็นว่าจิตใจของบุคคลจะมีความเป็นอิสระคือไม่ต้องไปใส่ใจว่าใครจะยกย่องสรรเสริญหรือไม่ยกย่องสรรเสริญให้เกียรติยศชื่อเสียงรางวัลเป็นต้นไม่ไปใส่ใจในเรื่องเหล่านั้น จ, จิตใจย่อมมีความปร่งเบาสบายเป็นอิสระจากปัจจัยภายนอกเพราะมีจิตที่สำนึกถึงคุณความดีของศีลและรักษาดังที่ได้กล่าบมาแล้วและประการต่อไปนั้นจะต้องไม่เป็นการรักษาศีลในลักษณะที่ถูกตันหาและทิฏฐิครอบงาใจการรักษาศีลในลักษณะที่ตันหาครอบงำใจนั้น ท่านได้แสดงตัวอย่างบุคคลในสมัยพุทธกาลซึ่งเป็นเพื่อนของนางวิสาขามหาอุบาสิกาท่านชวนกันไปรักษาศีลแต่เมื่อสอบถามถึงจุดประสงค์ในการรักษาศีลปรากฏว่าเป็นการรักษาด้วยตันหาทั้งหมดเช่นคนที่ยังอยู่ในวัยรุ่นก็บอกว่าต้องการจะรักษาศีลเพื่อจะไปสู่สกุลของสามีในเวลาที่ยังไม่แก่ คนที่มีสตรีที่มีสามีแล้วก็ต้องการรักษาศีลเพื่อไม่ให้สามีมีพัญญาที่สองคนที่อายุมากแล้วก็รักษาศีลเพื่อต้องการจะไปบังเกิดในสวรรค์เป็นต้นนางวิสาขาได้ไปกราบทูลให้พระพุทธเจ้าทรงทราบพระพุ้มีพระภาคได้แสดงถึงพื้นจิตของคนส่วนมากว่า การกระทำความดีของคนส่วนมากนั้นจะไปยึดติดในภพอยู่ด้วยอำนาจของภาวะตันหาคือปรารถนาความสุขความเจริญด้วยชาติด้วยภพที่เข้าใจว่าเป็นสุขและมีความประนีจิงจริงๆขึ้นไปส่วนคนที่มุ่งมั่นจะบรรลุมากผลคือเข้าถึงฝั่งของพระนิพพานนั้นมีอยู่เป็นจำนวนน้อย ส่วนมากแล้วก็จะเลาะไปตามฝั่งเท่านั้นการรักษาศีลด้วยอำนาจของตันหาก็คือรักษาด้วยความทยานอยากต้องการให้คนรู้ว่าตนมีศีลต้องการให้คนสันเสริญว่าตนมีศีลเป็นต้นและรักษาด้วยอำนาจของทิฏฐิเช่นไปดูถูกรูมินบุคลยยบคลอื่นเหยียดหยามบุคคลอื่นผู้ไม่มีศีลเป็นต้นการรักษาศีลในลักษณะนี้ ในชั้นของศีลก็อาจจะบริสุทธิ์ได้แต่ว่าในชั้นของจิตยังมีความขุนมัวเศร้าหมองเป็นมนทินใจอยู่ทำให้จิตใจยังคล้องแหวะอยู่กับปัจจัยภายนอกเหล่านั้นถ้าหากว่าปัจจัยภายนอกไม่สนับสนุนอาจจะไม่รักษาศีลก็ได้และประการต่อไปต้องเป็นการรักษาศีลที่วินยูชนสรรเสริญหลักของพระพุทธศาสนานั้น ไม่คำหนึง่งถึงคำคอนขอดนินทาตำหนิด่าว่าของภาลยชนเพราะคนพานันจะยกย่องสรเสริญใครก็เป็นการกระทำไปตามอารมณ์ไม่ยุติด้วยเหตุผลส่วนมากจะเป็นการพูดไปด้วยโมหะเจริตด้วยโมหะกติคือความลำเอียงเพราะหลงบ้างด้วยฉันทากติคือความลำเอียงเพราะชอบพอกันบ้างด้วยพยากติคือความลำเอียงเพราะกลัวบ้าง หรือว่าด้วยโทสากติลําเอียงเพราะไม่ชอบกันบ้างแต่ว่าวินยูชนคือท่านผู้รู้เหตุผลทั้งหลายนั้นจะยกย่องสรรเสริญคนก็อาศัยการกระทําของบุคคลเหล่านั้นเป็นหลักศีลที่ถือว่าวินยูชนยกย่องสรรเสริญ น, นั้นคือศีลที่เป็นเช่นไรคําว่าศีลมีอยู่สามช่วงด้วยกันช่วงแรกหมายถึงเจตนาวิรัติงดเวน้น ไม่ละเมิดในสิกขาบททั้งหลายที่ทรงบัญญัติไว้ในช่วงที่สองคืออาการกายวาจาของบุคคลเหล่านั้นเป็นปกติคือเป็นปกติเช่นนั้นไม่เป็นการแสดงต่อนหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งและในพื้นทางจิตใจจะมีความสงบเย็นสงบจากเพลิงกิเลสสงบจากเพลิงทุกข์สงบจากเวรภัย ที่เกิดขึ้นจากการละเมิดศีลอย่างนี้ชื่อว่าเป็นศีลที่วินยูชนยกย่องสรรเสริญและข้อสุดท้ายคือจะต้องโนมโน้ ม, น, มน้อมไปเพื่อให้เกิดความสงบคือต้องเป็นไปเพื่อสมาธิศีลที่บุคคลรักษาดีแล้วนั้นจะพบว่าเมื่อสำนึกถึงย้อนหลังไปพิจารณาเห็นการประพฤติปฏิบัติของตนว่าไม่มีจุดบกพร่อง ที่ควรแก่การเดือดร้อนใจที่ควรแก่การกลัวถูกกระหานินทาตำหนิเป็นต้นแล้วจิตใจของบุคคลก็จะสงบความสงบในส่วนนี้จัดเป็นสมถกรรมฐานข้อหนึ่งเรียกว่าสีลานุสติคือเมื่อบุคคลตั้งสติตามระลึกถึงคุณคือศีลที่ตนรักษาแล้วก็จะเห็นความของแควความบริสุทธ แห่งศีลที่ตนรักษาอยู่นั้นจิตใจก็จะโน้มน้อมไปเพื่อสู่ความสงบแม้ด้วยอาศัยศีลานุสติเองเป็นพื้นฐานในการเจริญสมถกรรมฐานก็สามารถที่จะทำความสงบให้เกิดขึ้นในชั้นที่เรียกว่าเป็นอุปจาระสมาธิคือเชียดใกล้ความสงบเข้าไปมากแล้วแต่ท่านบอกว่า เนื่องจากศีลานุสติเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากยากที่จะย่างถึงได้การระลึกถึงศีลานุสติจึงไม่อาจจะถึงอัปปนาสมาธิคือจิตใจสงบแน่วแน่มั่นคงได้เมื่อบุคคลรักษาศีลได้ในจุดนี้ก็ถือว่าเข้าถึงความบริสุทธิ์ในชั้นของศีลต่อแต่นั้น บุคคลก็บำเพ็ญเพียรไปตามหลักของสมถะกรรมฐานดังที่เคยกล่าวมาแล้วเมื่อจิตใจของบุคคลมีความส ง, งบเพิ่มขึ้นโดยลำดับจากจุดเล็กๆที่เรียกว่าคณิกะสมาธิคือเป็นความส ง, งบที่เกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่งแล้วบำเพ็ญเพียรพยายามสืบต่อไปจนความส ง, งบมีปริมาณสูงขึ้น เรียกว่าอุปจารสมาธิและไม่ทอดทิ้งความพยายามปฏิบัติสืบต่อไปจนจิตใจสงบเป็นอัปปนาสมาธิคือสงบอย่างแน่แน่ที่แท้จริงต่อแต่นั้นผู้ปฏิบัติก็จะก้าวไปสู่ฌานตามองค์แห่งฌานนั้นๆอย่างที่เคยกล่าวมาแล้วในสมาสมาธิองค์ฌานที่เกิดขึ้นแต่และองค์นั้น จะทำหน้าที่สงบนิวรคือสิ่งที่กั้นจิตคนไว้ไม่ให้บรรลุความดีองฌานห้าประการคือวิตกความตรึกวิจารความตรองปิติความอิ่มใจสุขความสบายกายสบายใจและเอกขคิตตาหรือสมาธิได้แก่จิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวองฌานแต่ละองนั้นวิตกเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทำหน้าที่สงบ ชีนามิ tha คือความง่วงเหงาหาวนอนลงไปได้วิจารณ์เมื่อเกิดขึ้นจะทำหน้าที่สงบวิจกิกิจฉานิวรลงไปได้ปีติความเอิบอิ่มใจเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทำหน้าที่สงบพยาบาทลงไปสุขคือความสบายกายสบายใจเมื่อเกิดขึ้นจะทำหน้าที่สงบอุทจัจจากุกุจานิวรลงได้เอกขัยตาคือจิตที่ถึงความเป็นอันเดียว หรือสมาธิก็จะทำหน้าที่สงบกามฉันนิวรณลงไปได้เป็นการแสดงว่าเมื่อถึงจุดนั้นจิตของบุคคลจะจะสงบจากนิวรณแม้จะเห็นรูปฟังเสียงก็ตามเนื่องจากกิเลสถูกสงบไว้ตามกำลังของฌานที่กล่าวแล้วความกำหนัดรักใครยินดีในรูปเป็นต้นก็จะไม่เกิดขึ้น และในขณะเดียวกันตอนที่เป็นจตุทะชานนั้นมีอุเบกขาที่แปลว่าการเข้าไปเพ่งดูซึ่งเป็นลักษณะของปัญญาเกิดผุดขึ้นทำให้จิตส ง, งบด้วยมีปัญญาปรากฏขึ้นด้วยท่านผู้ปฏิบัติเมื่อจะเรินชานข้าวออกชานไปจนมีความคล่องแคล่วชำนิชำนานแล้วก็จะอาศัยสมาธิจากชานนั้นเองเป็นบาท คือเป็นพื้นฐานในการใช้ปัญญาพินิษพิจารณาสังขารทั้งหลายให้เห็นตามความเป็นจริงในช่วงนี้ผู้ปฏิบัติก็ผ่านขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเรียกว่าจิตวิสุทธิ์คือความบริสุทธิ์แห่งจิตในชั้นต่อไปเมื่อผู้ปฏิบัติได้ยกเอาขันทั้งห้าประการเป็นต้นขึ้นมาพิจารณาที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐาน คำว่าวิปัสนาแปลว่าปัญญาอันเห็นแจ่มแจ้งถึงความจริงในสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงอย่างไรตามปกติแล้วจิตใจของบุคคลมีกิเลส ท, ที่เป็นรากใหญ่คือโมหะปิดบังเอาไว้จึงทำให้หลง ด, ด, ดูดจะอยู่ในที่มืดธรรมดาว่าคนซึ่งอยู่ในที่มืด ไม่อาจจะเห็นสิ่งทั้งหลายในที่นั้ น, น, นได้ฉันใดจิตใจของบุคคลที่ถูกห่อคุ้มไว้ด้วยอำนาจของโมหะก็จะไม่เห็นสิ่งทั้งหลายในโลกตามความเป็นจริงเช่นเดียวกันเะนนั้นความเห็นที่ถือว่าไม่เป็นไปตามความจริงนั้นคือการมองเห็น สิ่งทั้งหลายซึ่งตามปกติแล้วไม่สวยงามอะไรว่าเป็นของสวยงามการมองเห็นสิ่งซึ่งตามปกติแล้วไม่เที่ยงว่าเป็นของเที่ยงการมองเห็นสิ่งซึ่งตามปกติเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขการมองเห็นสิ่งซึ่งตามปกติตกต็ไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรว่าเป็นตัวเป็นตนว่าเป็นเราเป็นเขา ความเห็นเหล่านี้ท่านเรียกว่าเป็นวิปลาชคือคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงที่เป็นสัจจะทำไมคนจึงเกิดความคิดเห็นขึ้นมาในลักษณะเช่นนั้นทั้งนี้ท่านบอกว่าเป็นเพราะการกําหนดหมายผิดเป็นเพราะความคิดผิดและเป็นเพราะความเห็นผิดจึงก่อให้เกิดความหลงผิด ในลักษณะต่างๆทั้ง4ประการดังที่ได้กล่าวมาแล้วและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าจิตของบุคคลที่มองเห็นสิ่งซึ่ ง, งไม่สวยไม่งามว่าสวยงามนั้นเพราะอาศัยสุภานิมิตคือการกำหนดหมายว่ารูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสหน้าจับต้องเป็นต้นจิตก็เกิดความรู้สึก กำหนดหมายว่าสิ่งนั้นสวยเสียงนั้นไพเราะดังที่ได้กล่าวส่วนที่เป็นนนิจจังนั้นเนื่องจากว่าสังขารทั้งหลายไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามตามปกติแล้วจะมีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดแต่ว่ามีการเกิดสืบเนื่องกันมาโดยตลอดเช่นเดียวกันที่ท่านใช้คำว่าสัน ต, ติคือเกิดสืบเนื่องกันมาปิดบังเอาไว้ คนจึงเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายนั้นมีความเที่ยงแท้แน่นอนส่วนที่เป็นทุกข์นั้นเพราะมีการผันเปลี่ยนอิริยาบถกันอยู่ตลอดเช่นว่านั่งนานรู้สึกไม่สบายก็ลุกขึ้นเดินเสียเดินนานเหนื่อยก็นั่งพักเสียหรือว่านอนพักเป็นต้นการผันเปลี่ยนอิริยาบถแต่ละคราวนั้นเป็นการบรรเทาส่วนที่เรียกว่าทุกขเวทนา ที่เกิดขึ้นทั้งแก่ร่างกายและจิตใจให้เบาบางลงไปคนจึงไม่เห็นความทุกข์ในจุดนี้ส่วนที่คนไม่เห็นความเป็นอนัตตาแห่งธรรมทั้งหลายนั้นก็เพราะว่ามีการเกาะกลุ่มกันอยู่ของสิ่งนั้นๆเช่นว่าความเป็นรถเป็นเรือนเป็นบ้านเป็นคนเป็นสิ่งของนั้นเนื่องจากมีปัจจัยต่างๆมาเกาะกลุ่มรวมกัน แล้วการกรำหนดหมายว่าคนวรถก็เกิดขึ้นไม่ได้ใช้การพินิตพิจารณาแยกแยะออกเป็นส่วนๆการหลงผิดในประเด็นแห่งชีวิตก็เกิดขึ้นดังนั้นหลักของวิปัสสนาก็คือการพยายามขจัดโมหะที่ปิดบังดวงปัญญาของบุคคลไว้ให้เข้าใจถึงความจริงในสิ่งทั้งหลายตามที่ เป็นความจริงคือเป็นของไม่สวยไม่งามไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาในข้อนี้ได้ทรงแสดงหลักสำหรับใช้เป็นเครื่องพินิษพิจารณาเป็นนันมากเช่นว่าขันหอายตนะ12ท่าสิอินทรีย์22เป็นต้นซึ่งการนับองค์ธรรมในลักษณะนั้นก็ยาก แก่การที่จะกําหนดจดจําเมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือให้กําหนดดูในส่วนที่เป็นรูปกับส่วนที่เป็นนามเพราะว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตามสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ถ้าไม่เป็นรูปก็เป็นนามถ้าไม่เป็นนามก็เป็นรูปการที่จะกําหนดโดยง่ายไม่ต้องอาศัยหลักวิชามากนักก็คือว่าสิ่งที่เป็นรูปนั้นได้แก่สิ่งที่เราสัมผัสได้ด้วยตา ด้วยหูด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกายส่วนสิ่งที่เป็นนามนั้นคือสิ่งที่บุคคลกําหนดหมายได้รู้ได้ด้วยใจยกตัวอย่างในกรณีของขันห้าซึ่งว่ากันตามความเป็นจริงแล้วเป็นที่รวมของกลุ่มนามรูปนั่นเองในขันห้านั้นตัวรูปได้แก่สิ่งที่บุคคลพบเห็นนั้นเห็นได้ด้วยตานั้น ก็ถือว่าเป็นอยู่ในกลุ่มรู ป, รปเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขเป็นความรู้ที่สัมผัสได้ด้วยใจก็ถือว่าเป็นนามสัญญาความจาได้หมายรู้จํารูปจําเสียงเป็นต้นเป็นอาการของใจเป็นความรู้ที่เกิดกับใจก็จัดเข้าเป็นกลุ่มนามสังขารคือสิ่งที่เกิดขึ้นปรุงแต่งจิตดีบ้างไม่ดีบ้าง กลางๆบ้างเช่นว่าความโลภความไม่โลภเจตนาความจงใจในการกระทำเป็นต้นเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นทางใจทั้งหมดก็ถือว่าเป็นนามวิญญาณคือความรู้อารมณ์เฉพาะตัวที่เป็นความรู้ไม่ใช่ตัวรูปเป็นต้นก็ถือว่าเป็นนามเพราะฉะนั้นในขันทังห้าประการนั้นก็แบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือรูปก็คงเป็นรูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็อยู่ในกลุ่มของนามการส่งสอนให้พิจารณานั้นคือให้ดูที่รูปนามนั่นเองจะดูโดยวิธีใดจะดูอะไรก่อนอะไรหลังนั้นก็ให้ดูไปตามความถนัดของตัวเองคือหมายความว่าสามารถจะเห็นอะไรได้ชัดก็ให้ดูในส่วนนั้นก่อนเพราะว่าการพิจารณาขันห้าเป็นต้น หรือรูปนามให้เห็นความจริงตามพระไตรลักษณ์นั้นเมื่อสามารถเห็นได้ในจุดหนึ่งปัญญาแก่กล้าขึ้นก็อาจที่จะโน้มน้อมไปดูในจุดอื่นได้ฉันยกตัวอย่างว่าดูในส่วนที่เป็นอนิจจังการดูให้เห็นความไม่เที่ยงนั้นดูสองช่วงช่วงแรกคือความเป็นของไม่เที่ยงต้องยอมรับในส่วนนี้ให้ได้เสียก่อน ช่วงที่สองก็คือดูถึงลักษณะหรือมาตรการในการกาหนดหมายในการตัดสินว่าสิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงถ้าจะถามว่าไม่เที่ยงอย่างไงก็ต้องอาศัยหลักที่ทรงแสดงเอาไว้คือสังขารทั้งหลายที่ชื่อว่าไม่เที่ยงนั้นเพราะเหตุว่ามีการเกิดขึ้นมีการตั้งอยู่มีการดับไปแล้วก็มองดูในจุดนี้ ยกอะไรขึ้นมาดูก็ได้มีอะไรบ้างไหมที่ไม่เป็นไปตามตามนี้คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็จะพบว่าไม่มีสังขารเหล่าใดที่เกิดขึ้นแล้วจะไม่ตั้งอยู่และไม่ดับไปส่วนเกิดขึ้นอย่างไรตั้งอยู่อย่างไรและดับไปโดยวิธีใดนันก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยของสิ่งเหล่านั้น เป็นเครื่องประกอบที่สำคัญแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือว่าสังขารทุกชนิดที่เกิดขึ้นแล้วจุดหนึ่งจะต้องแตกดับไปแม่โลกอันเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์โอกาสหนึ่งก็จะต้องแตกดับไปเช่นเดียวกันทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะโลกก็เป็นสังขารชนิดหนึ่งเหมือนกันมองดูในจุดนี้ดูกลับไปกลับมา พิจารณากลับไปกลับมาจนเกิดความรู้ความเข้าใจเห็นจริงว่าสังขารทั้งหลายเป็นของที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจริงๆหรือมาอย่างนั้นก็อาจจะพิจารณาในประเด็นที่ว่าสังขารทั้งหลายนั้นมีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงนั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทางดีขึ้น หรือว่าทางเลวลงก็ได้แต่ไม่มีสังขารอะไรที่จะไม่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงถ้ามองอะไรไม่ชัดอาจจะดูที่เวทนาเช่นในขณะนั่งอยู่จะพบว่าในขณะแรกนั่งใหม่ๆก็เป็นสุกเวทนาเพราะเหตุปัจจัยยังอำนวยให้อยู่แต่เมื่อนั่งนานไปรู้สึกปวดรู้สึกเมื่อยแสดงเห็นความเปลี่ยนแปลงของเวทนาแล้วและอาการปวดเมื่อย น, นั้น เมื่อมีการปรับเปลี่ยนอริยาบทหรือนั่งให้ลืมลืมไปก็จะหายไปซึ่งเป็นอาการดับของเวทนาความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของเวทนาของสัญญาหรือของรูปเป็นต้นก็ดูได้โดยวิธีนี้ถ้าดูในจุดนี้ไม่เห็นก็ดูเห็นว่าสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นหรือสังขารทั้งหลายนั้นเป็นของดำรงอยู่ได้ชั่วคราวเท่านั้นเอง การจเจริญในรูปของวิปัสสนานี้บางครั้งท่านก็ใช้วิธีสาธยายคือสวดไปการสวดนั้นอาจจะใส่บาลีเข้าไปด้วยก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าไม่ใช่สวดแต่ปากคือใจจะต้องกําหนดนึกตามให้เห็นตามบทที่ตนได้สวดไปด้วยเช่นตัวอย่างการพิจารณาถึงรูปท่านก็สอนให้สวดว่า รูปางอนิจจังรูปเป็นของไม่เที่ยงยะดะนิจังตังดุกขัง้งรูปใดไม่เที่ยงรูปนั้นเป็นทุกข์ยังดุกขั้งตังอนัตตารูปใดเป็นทุกรูปนั้นใช่ตัวใช่ตนยะดะนานัตตาตังเนตังมะมะเนโซหะมัสสมิณะเมโซเมอัตตารูปใดไม่ใช่ตัวใช่ตน รูปนั้นไม่ใช่ของเรารูปนั้นไม่ใช่เรารูปนั้นไม่ใช่ตัวใช่ตนของเราแล้วก็สวดกลับไปที่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรื่อยไปแล้วก็ย้อนกลับมาที่รูปอีกทีหมุนกลับไปกลับมาอย่างนี้พิจารณาตามไปดูว่าที่รูปไม่เที่ยงนั้นไม่เที่ยงจริงหรือและรูปใดที่บอกว่าไม่เที่ยงนั้นท่านบอกว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์จริงหรือเป็นต้นพิจารณาตามไปโดยในยนิ แต่ละสายของการพินิษพิจารณานั้นจะนำคนเข้าสู่ความวิสุทธ์ได้เหมือนกันอย่างในกรณีที่เป็นผลซึ่งเกิดขึ้นจากการพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงแห่งสังขารทั้งหลายนั้นถึงจุดหนึ่งจิตของผู้ปฏิบัติจะวิมุตตหลุดพ้นจากความยึดถือด้วยอำนาจตันหามานทิทิในนามรูปทั้งหลาย การหลุดพ้นในลักษณะนี้ท่านเรียกว่าเป็นอนิมิตตวิโมกข์คือจิตที่หลุดพ้นด้วยการพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายว่าไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายและในขณะที่กำลังพินิจพิจารณาอยู่นั้นท่านก็เรียกว่าสมาธิโดยใช้คำว่าอนิมิตตสมาธิคือจิตสงบด้วยการเพ่งพินิจ ให้เห็นความไม่เที่ยงแห่งสังขารทั้งหลายในช่วงนี้ท่านจัดเป็นส่วนที่เรียกว่าทิฏฐิวิสุทธ์คือความบริสุทธิ์หมดจดแห่งความเห็นของตนเป็นความเห็นประเภทที่เคยกล่าวมาในในตอนที่ว่าด้วยสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกิยะคือข้อว่าวิปัสนาสัมมาทิฏฐิได้แก่ปัญญาเห็นชอบ ที่เกิดขึ้นจากความรู้ความเห็นอย่างแจ่มแจ้งในนามรูปดังนั้นความวิสุทธิ์หมดจุดแห่งสัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายในการแสดงธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นจึงเป็นเรื่องที่ค่อยๆขัดเกลาค่อยๆบำเพ็ญค่อยๆลงมือประพฤติปฏิบัติมาโดยลําดับแล้วบุคคลจะก้าวไปสู่ความส ง, งบ ตามกำลังความสามารถของตนที่ได้ลงมือประพฤติปฏิบัติมาต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความส ง, งบสืบต่อไป